เราฝึกเพื่อรู้กิเลสไม่คล้อยตามและไม่ต่อต้านหน้าที่ของเราเคือเรียนรู้ทุก์ไม่ใช่หนีทุกเราฝึกไม่ใช่เพื่อลักกิเลสแต่เพื่อรู้กิเลสเห็นว่ากิเลสไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงสภาวธรรมมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับลงไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้ วันใดถ้าไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก็หมดทุกเองอนุัสกิเลสลงทุนปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาถ้าเราหว่นไว้ยอมกิเลสมันปรุงแต่งแล้วได้กาไรถ้าเรารู้เฉยเฉยมันลงทุนแล้วขาดทุนมันจะเหี่ยวแห้งไปอย่าไปต้านกิเลสให้ยอมรับอะไรก็ได้กิเลสมา ก, ก็รับได้เรามีหน้าที่รู้ลูกเดียวเหมือนหญ้า ง, งอกเราก็ตัดมันมันจะหมดอาหาร กิเลสมาก็รู้ว่ากิเลสมากิเลสไปก็รู้ว่ากิเลสไปไม่ต่อต้านกิเลสรู้ทันจิตใจของตัวเองกิเลสอยู่ในใจเราถ้ากิเลสมาแล้วสู้กับมันจะรู้สึกว่ากูเก่งสนองกิเลสถ้าไปขวางมันมันจะทาลายร้างรุนแรงดังนั้นจึงต้องไม่คล้อยตามกิเลสและไม่ต่อต้านกิเลสถ้าเราปล่อยให้กิเลสไหลไปมันไม่แรงเพราะเราเป็นแค่คนดู